ปฏิจจสมุปปาบาทวงเล็บเปิดยีสามกราคม25งพหในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที28วงเล็บปิดปฏิจจสมุปปาบาทหน้าฟังนะหลวงพ่อก็ชอบปฏิจจสมุปปาบาทนี่เป็นธรรมะที่เราใจที่สุดเลยสมัยพุท ธ, ธกาลพระพุทธเจ้าบางครั้งอยู่องค์เดียวนะท่านก็สวดปฏิจจสมุปปาบาทเล่นเครื่องหมายคําพูดเปิดอวิชชา ปัจยาสังขาราจุ ด, จดๆุจุดปิดเครื่องหมายคำพูดเนี่ยทําเพลงปฏิจจสมุปปาฏิ์หลวงพ่อก็พูดเรื่อยๆปฏิจจสมุปปาฏิ์ลึกนะเป็นธรรมที่ลึกที่สุดเลยถ้าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปปาฏิ์จะข้ามภพข้ามชาติแล้วถ้าเห็นแจ้งปฏิจจสมุปปาฏิ์ต้องเป็นพระอรหันต์ถ้าเห็นปฏิจจสมุปปาฏิ์เบื้องต้นนี่จะได้พระโสดาบันปู่ทุชนไม่เห็นปฏิจจสมุปปาฏิ์เห็นก็จะเห็นนิดๆหน่อยๆ เช่นพอมีความอยากขึ้นมาใจก็ดิน้นดิ้นแล้วก็มีความทุกข์ขึ้นมาจะเห็นท่อนปลา ย, ลายเบื้องต้นการเห็นปฏิจจสมุปปาบาทถ้าแทงตลอดจริงๆก็คือการเห็นอริยสัจนั่นเองรู้ลงมาว่าขันนี่เป็นตัวทุกข์ล้นล้วนเลยเพราะว่าเราไม่เห็นขันเป็นตัวทุกข์ล้นล้วนเรียกว่ามีอวิชชาเราก็เห็นว่าขันเป็นตัวเราขึ้นมามันก็เกิดความปรุงแต่งเครื่องหมายคําพูดเปิด อวิชชาปัจยาสังขาราปิดเครื่องหมายคำพูดคือปรุงว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขอยากให้จิตนี้มีความสุขให้กายนี้มีความสุขยิ่งปรุงก็ยิ่งทุกข์เพอยิ่งทุกข์ก็ยิ่งปรุงปฏิจจสมุ ป, ปบาทยอที่สุดเลยนะเพราะไม่รู้ความจริงก็เลยปรุงขึ้นมาพอปรุงขึ้นมาก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็ยิ่งปรุงไปอีกเกิดวนเวียนอยู่อย่างนั้นเป็นวัฏฏะ ยิ่งอยากก็ยิ่งปรุงยิ่งปรุงก็ยิ่งทุกยิ่งทุกก็ยิ่งอยากให้มันพ้นอีกแล้วก็ปรุงอีกหมุนอยู่ไม่จบจะตัดกระแสของปฏิจจสมุปปะบาท ต, ต้องรู้ลงในกายในใจนี้จนวางกายวางใจได้เห็นจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะแล้ววางลงไปปฏิจจสมุ ป, ปบาทก็คืออริยสัจนั่นเองถ้าไม่แจ้งอริยสัจไม่แจ้งปฏิจจสมุ ป, ประบาทก็ยังข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ อริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือขันห้าทุกข์คือกายกับใจตัวขันห้านี่แหละคือตัวทุกขะสัจจะมีขันห้าแล้วมันก็มีทุกขเวทนาอย่างร่างกายเจ็บป่วยเป็นครั้งเป็นคราวนั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยความปวดความเมื่อยความเจ็บความป่วยอันนี้เรียกว่าทุกขเวทนาหรือจิตใจบางครั้งก็กลุ้มใจไม่สบายใจ อันนี้เรียกทมนสเวทนานี่ตัวเวทนาทุกขสัจจะไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขสัจจะคือตัวขันนี่แหละคือตัวทุกเห็นไหมเกินปัญญาที่จะรู้นะเกินปัญญาที่จะนึกด้วยนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกว่าขันห้าทำไมเป็นทุกข์ขันห้าไม่น่าจะเป็นทุกข์เลยร่างกายเป็นวัตถุทำไมร่างกายเป็นทุกข์เรารู้แต่ทุกขเวทนาหรือเราหัดจเจริญสติทาวิปัสสนานะ บางคนเห็นทุกขลักษณะทุกขลักษณะคือสภาวะแห่งความทนอยู่ไม่ได้ของสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงเช่นความทุกข์เกิดขึ้นก็ชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอากุศลก็ชั่วคราวทุกสิ่งที่เป็นความปรุงแต่งเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยเรียกว่าทุกขลักษณะคือทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่ทุกขสัจจนะทุกขเวทานาความเจ็บปวดทางกายทางใจก็ไม่ใช่ทุกขสัจจะ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 มันก็จะไม่ยึดในรูปเส ave, ียงกลิ่นรสโพธะะด้วยรวมทั้งธรรมารมที่เนื่องด้วยกายหรือธรรมารมที่เนื่องด้วยกามเรียกว่ากามาธรรมฉะนั้นจะไม่ยึดในสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโพธะะและกามมาธรรมคือกามในใจพอไม่ยึดแล้วสิ่งเหล่านั้นปรากฏอยู่หรือหายไปจิตจะไม่ยินดีย็นร้ายกามและปฏิฆะก็จะไม่มีดังนั้นเมื่อใดไม่ยึดในกายก็จะไม่มีกามและปฏิฆะ เป็นพระอนาคามีนั่นเองเป็นภูมิของพระอนาคามีเสร็จแล้วมันจะมายึดจิตนะไม่ยึดอย่างอื่นแล้วเหลือจิตอันเดียวมายึดที่จิตเพราะเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวดีจิตนี้เป็นตัววิเศษเราจะเห็นว่าถ้าจิตไม่มีความอยากถ้าจิตไม่มีความยึดจิตจะมีความสุขถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะมีความทุกข์จะเห็นอย่างนี้อยากเข้าใจว่ารู้ถูกนะนี่ยังรู้ผิดอยู่ วันใดปัญญาแจ่มแจ้งจะเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่มีอนูใดที่ไม่ทุกข์เลยจิตเป็นขันจิตก็เป็นทุกข์เห็นแจ้งว่าจิตเป็นทุกข์บางคนเห็นมันเป็นทุกข์ได้เห็นทุกขสัจจะได้เห็นมันเป็นอนิจจังบ้างเห็นมันเป็นทุกขขังบ้างเห็นมันเป็นอนัตตาบ้างแล้วก็รวมเข้ามาจนถึงตัวมันไม่ดิ้นไปแล้วก็เห็นตัวมันเป็นทุกข์ล้วนเลยคราวนี้มันจะสลัดออกเอง ผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นก็เห็นธรรมนั่นแหละพอสลัดออกไปหมดความยึดถืออิสรภาพที่แท้จริงก็เกิดขึ้นทุกวันนี้เราไม่มีอิสระเราหยิบฉวยจิตไว้ตลอดเวลารู้สึกไหมวันใดเห็นจิตนี้เป็นตัวทุกนะมันจะสลัดออกภาษาบาลีเรียกปตินิสสะสักขะคือสลัดออกไปหรือวางอนาลยะอนาลโยคือไม่ยึดถือมันวิมุตติวิมุตโตคือหลุดพ้น หลุดจากสิ่งห่อหุ้มหรืออาสะวะไม่ยึดถือในรูปในนามนี่มีศัพท์เยอะนะตรงนี้มีศัพท์หลายตัวก็คือสภาวะอันเดียวกันนั่นเองแล้วแต่มุมที่มองเข้าใจถึงธรรมะล้วนๆเลยเวลาเข้าถึงธรรมล้วนๆก็คือเข้าถึงนิพพานบางคนเห็นว่านิพพานไม่มีที่กําหนดหมายบางคนเห็นว่านิพพานแปราศจากความเสียดแทงทั้งปวงเห็นสภาวะที่พ้นจากความเสียดแทงบางคนเห็นสภาวะ ที่ไม่มีที่กำหนดหมายไม่มีการทำงานใดๆขึ้นมาอีกบางคนเห็นเป็นความว่างเปล่าฉะนั้นการเข้าไปเห็นนิพพานของคนแต่ละคนยังมองกันคนละมุมได้อีกมองแบบอา น, นิมิตตะวิโมกมองแบบอับปะนิหิตตะวิโมกสุญตะวิโมกวิโมกสามอย่างนี้คือเห็นนิพพานนะอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นโลกเห็นสังขารเห็นกายเห็นใจเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็ไปเห็นนิพพานนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาของเรานิพพานไม่เคยหายไปไหนเลยเต็มอยู่ต่อหน้าต่อตาของเรานี่เองใจมันเต็มอิ่มนะใจมันหมดการดิ้นรนหมดความหิวโหวยพวกเราภาวนามาถึงตรงนี้พอดูออกไหมว่าใจเราหิวตลอดเวลาเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากได้กลิ่นเดี๋ยวอยากได้รสเดี๋ยวอยากปฏิบัติใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลา แล้วก็เกิดการทำงานตามความอยากตลอดเวลาใจไม่ได้อิสระภาพไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความสงบไม่มีสันติสุขเลยถ้าเราปล่อยวางความยึดถือจิตใจไปแล้วนะมันจะเข้าถึงอิสระภาพไม่ยึดอะไรฉะนั้นเรารู้ทุกแจ่มแจ้งนะตัณหาจะดับไปเองจะเห็นนิโรธหรือเห็นนิพพานขึ้นมานี่เรียกว่าอริยสัจส่วนปฏิจจสมุ ป, ปบาทนี่เป็นการซอยขั้นตอนในรายละเอียดออกไปอีกว่า ระหว่างความไม่รู้นี้มันโยงไปถึงทุก์ได้อย่างไรหรือว่าทำอย่างไรอะไรดับทุกถึงดับจนถึงดับความไม่รู้เป็นอย่างไรจะลงรายละเอียดของการปฏิบัติเราหัดเบื้องต้นเรายังเห็นปฏิจจสมุปบาท ต, ตลอดสายไม่ได้ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมคือพระโสดาบันเป็นชั้นต้นพระโสดาบันจะเห็นปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าไม่ทราบซึ้งเท่าไหร่หรอก จะรู้สึกว่าปฏิจจสมุปบาทนี้เข it it so ้าใจง่ายๆนี่เห็นแล้วนะปุถุชนรู้สึกว่าปฏิจจสมุปบาทนี่ลึกซึ้งยากเย็นเหลือเกินพระโสดาบันรู้สึกว่าไม่ยากอะไรเหมือนพระอานนท์วันหนึ่งไปทูลพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าค่าปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์ว่าลึกซึ้งนั้นปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนของเตือนพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นนะพระอานนท์ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งนัก แต่ความรู้ความเข้าใจของท่านได้แค่นั้นมันลึกจนทวนกระแสเข้าไปเรื่อยตามทวนเข้ามานะทวนเข้ามาทวนเข้ามาจนถึงอวิชชาแล้วก็ล้างอาวิชชาด้วยวิชาได้เป็นความรู้แจ้งเห็นขันห้าเป็นทุกข์นี่ยากที่สุดพระโสดาบันไม่เห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์นะไม่ได้เห็นทุกขสัจจะอย่างแจ่มแจ้งหรอกถ้าเห็นเมื่อใดก็คือจะข้ามภพข้ามชาติแล้วต้องค่อยๆฝึกไปนะเราหัดภาวนาทีแรก เราจะเห็นท่อนปลายก่อนเราจะเห็นมันมีตามีหูใช่ไหมมันไปกระทบอารมณ์ขึ้นมามันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาใจก็ยินดียินร้ายขึ้นมาอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ตัณหามันเกิดตัณหาเกิดใจมันก็ดิ้นเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมามันมีเวทนาเสร็จแล้วมันก็มีตัณหาแทรกเข้ามามันยินดีบ้างมันไม่ยินดีบ้าง อยากได้ไว้อยากผลักออกไปบ้างพอความอยากเกิดขึ้นครอบงําใจนี่จิตจะเริ่มทํางานแล้วพยายามหยิบฉวยอันนี้พยายามผลักอันนี้วุ่นวายขึ้นมาจิตทํางานเรียกว่าพบนั่นเองทันทีที่พบเกิดนะจิตจะไปหยิบฉวยรูปนามขึ้นมาอัตโนมัติเลยจะยึดเอามาว่านี่เรานี่เรานี่เร า, เราอัตโนมัตินะนี่คือชาติทันทีที่ไปหยิบฉวยขึ้นมานี่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 ภูเขานี้จะไม่มีน้ำหนักเลยถ้าเราไม่ไปแบกมันไว้ขันห้าที่ว่าหนักหนาสาหัสนะไม่มีน้ำหนักถ้าเราไม่ไปแบกไว้แต่เราแบกตื่นเช้าขึ้นมานักปฏิบัติชั้นเลอจะต้องหยิบฉวยจิตขึ้นมาเอาไว้ดูก่อนหยิบได้นะแต่วางไม่เป็นวางไม่ได้หรอกแล้วก็จะหนักอกหนักใจอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเป็นพระอารหันนะ บางทีเขาใช้คําเรียกว่าพระอริยะเจ้าไม่อยากใช้คําว่าพระอรหันต์ก็ใช้คําว่าพระอริยะเจ้าพระอริยะเจ้าวางของหนักลงไปแล้วแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกก็เลยพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหลวงปู่ดูลบอกว่าพระอริยะเจ้ามีจิตไม่ส่งออกนอกหรือถ้าส่งออกนอกก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวพระอริยะเจ้าของท่านก็คือพระอรหันต์ถ้าพระอริยะชั้นอื่นๆนะทั้งออกนอกทั้งหวั่นไหว